แฟนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาต่อพระสูตรตามที่เล่ามาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เรื่องไม่จบลงตอนที่พระ น, นางของพระเจ้าบาลันตาปะคือม่เฮสีของพระเจ้าบาลันตาปะทวงกนกขัสดีลิงจับเอาไปก็หมายความว่าจับเอาไปแล้วอุ้มไปแล้วเข้ากรงเล็บ แล้วก็ในที่สุดพระนางเมื่อชนะที่นกไปจับฝังจะกินไปจับต้นไม้หวังจะกินตาตุต้นไท่แต่พระนางเป็นคนที่มีความฉลาดคือความเป็นบัณฑิตกระมายถึงความฉลาดพระนางเชัดตบมือตบมือขึ้นแล้วก็ลองเสียงดังนกตกใจก็บินหนีไปมาเรื่องมาจบตอนนี้นะสำหรับวันนี้ก็เล่ากันต่อเรื่องพระสูตรนี้ไม่มีอะไรมาก บอกครั้งนั้นในเวลาที่พระอาทิตย์อสดงคหคือพระอาทิตย์ตกลมกรมะเจ้าไกระปั่นป่วนแล้วหมายความเวลานี้เกิดปวดพระคันจะคลอดบุตรในพระคันขาบรา <c oughs> <c oughs> ปรากฏว่าในพระคัเขพระราชเทวีนั้นกำลังปั่นป่วนมากมหาเมฆคำรามร้อง ไม้ฟ้าร้องไม่ครึมตั้งขึ้นทุกทิศชื่อว่าความหลับไม่ได้มีแล้วตลอดคืนยังรุ่งในก็ะหม่อความมาปวดอย่างนั้นเอ็มไม่ก็ครึมฟ้าก็ร้องป่าก็ป่าเปลี่ยวก็เปลี่ยวอยู่คนเดียวหาที่พึ่งไม่ได้ <c oughs> ความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นทุกกทรมานบวกกับความกลัว พ่า น, นางเลยไม่ได้หลับตลอดคืนท่านบอกว่าเป็นผู้ ด, ดํารงอยู่ในความสุขในสมัยก่อนในสมัยที่ยังไม่ได้มาเข้าป่าในอยู่ในพระราชฐานมีความสุขมากไม่ได้แม้แต่คําพูดว่าอย่า ก, กลัวเลยพระแม่เจ้าในหมายความพระนนางไม่มีอะไรจะต้องกลัวอัเวลานี้ปรากฏ ค, ความทุกข์ครอบงำแล้ว แต่เมื่อราตรีที่สว่างความปลอดโปรงไปจากวลาหกก็ดีความขึ้นแห่งพระอรุณก็ดีความออกแห่งสัตว์ผู้อยู่ในคันความว่านางก็ดีได้มีแล้ว <c oughs> ลหมายความว่าเวลาถึงเวลาสว่างมันก็โปร่งหมดท้องฟ้าก็โปรง่งแล้วก็ปรากฏว่า แดดก็จ้าได้พร้อมๆกันนั่นเองทรนานางก็ทรงประสูติพระราชโอรสออกพอดีกันในตามสมนวนบาลีรู้ว่าจะสัง ย, กยากๆหน่อยผมก็ไม่มีเวลาดูหนังสือมาก่อนก็มาการหนังสือคุยกันฟังอ่านให้ฟังแต่บอกว่าในขณนะดเดียวกันนั่นเองท่นานนางได้ตั้งชื่อพระราชโอรสว่าอุเทน เพราะถืออรดูเมฆอัะดูอรุณขึ้นที่ประสูนแล้วหมายความเมฆมันปลอดโปร่งฟ้าก็โปร่งแสงใดดก็ปรากฏชีโวเทนในตอนนี้ท่านบอกอัลละกปปดาบดเสียพิธีแน่กล่าวว่า ท, ที่อยู่แม้อัลละกะดาบดของฤาษีพระราชาที่นำมีพระนำอัลละกะดาบดที่ยังไม่ตาย ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นโดยปกติในวันที่มีฝนอันดาบทนั้นย่อมไม่ไปสูป่ป่าเพื่อประโยชน์กับผลาผลไม้หมายความเวลาฝนตกถ้าไม่หาไม่ไปหาผลไม้พรากลัวหนาวไปยังโคนต้นไม้นั้นเพื่อจะเก็บกระดูกเนื้อที่นกกินเห็นไมกระดูกและเนื้อที่นกกิน ก็เป็นการพอดีคล Hier T ้ายๆกับเทวดาช่วยเพราะนางไปอยู่ตรงนั้นฝนฟ้าก็ตกถ้าดาบตามธรรมาดาท่านเข้าป่าลึกไปหาพลไม้แต่วันไหนถ้าฝนตกมันหนาวจัดมันเป็นป่าที่มีหิมะท่านก็ไม่ยอมไปไปเก็บกระดูกบ้างเศษเนื้อที่เหลือจากนกกินบ้างเอามาเป็นอาหารมันถึงทุบแล้วก็ต้มให้มีรสแล้วก็ด่งกิน เพราะฉะนั้นในวันนั้นพันดาบดก็คิดว่าวันนี้เราจะไปเก็บกระดกูกที่นกทิ้งทิ้งบางทีจะมีกระดูกอะไรบ้างที่สัตว์เอาสัตว์มากินจึงได้ไปที่ใต้ต้อตอนไม้นั้นสแสวงหากระดกูกที่โคนต้นไม้ได้ยินเสียงเด็กอยู่ข้างบนต้นไม้จึงแลดูเห็นพระราชเทวีจึงถามว่าเธอเป็นใคร ความจริงในตอนนั้นท่านดาบทไม่คิดว่าเป็นคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นไข่คนเข้ามาอยู่ในป่านี้ไม่ได้ป่าลึกเช่นนี้แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยดีไม่ดีอาจจะเป็นนางไม้สงสัยแล้วแต่ว่านางไม้ทําไมมีลูกเล็กตามธรรมดาเทวดาเนี่ยไม่มีลูกเล็กไม่มีลูกร้องถ้าลูกของเทวดาปรากฏกายไม่ได้อยู่ในท้องเกิดเป็นอุป ป, ปาติกะเกิดผวดขึ้น โตเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีท่านบาดาบดสงสัยอย่านี่ถามว่านี่เธอเป็นใครนะมาอยู่ต้นไม้อยู่คนเดียวไม่กลัวหรือราชเทวีก็ตอบว่าข้าวิเจ้าเป็นหญิงมนุษย์เจ้าค่ะฉันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางไม้หรือไม่ใช่นางเทพสินดาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเจ้าค่ะท่านบัรดาบด ท่านก็จึงถามมาสงสัยท่านถามว่านี่เธอมาอย่างไงนะไอ้ป่าเปลี่ยวอย่างนี้ไกลแสในไกลที่นี้ไม่มีคนเดินผ่านไปเพินมาเธอมาได้ยังไงพรร น, นานก็ตอบว่าฉันไม่ได้มาเองเจ้าค่ะนกข้าฉดีเลียงมันนาฉันมามันหวังจะนำฉันตอนฉันกินไปอาหารแล้วบรรดาบูารเชิงกล่าวว่านี่เธอลงมาข้างล่างเถอ พระอาจารเทวีก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวแต่ความเจือด้วยชาตินี่หมายความกลัวจะมาสมชาติผิดเพราะพนางใะเป็นเชื้อราชตระกูลเป็นพระราชินีข้าพระเจ้าอนลกักกะแต่ว่าจะไปคุกเขากระดาบทึ่งเป็นมือชายแม้ก็แก่เหลวเยเช้ด้วยโครงเยาขาวปูดีไม่ดีก็คราวอตมาและคราวผมพระพูดเนี่ยแก่แล้ว และก็พ่อนางนี่ก็เพิ่งมีลูกคนเดียวยังสาวมากและความสวยก็ยังดีเป็นว่านางบกรัวจะมีความเจือหรือคลุกเคล้ากันโดยชาตพาิพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพรอนดาบทถามอยากจะทราบว่าท่านเป็นใครท่านาบฏก็ถามว่าเอ็มมิเธอร์นี่ เกลียงไว้ไปสมชาติผิดชาติผิดสีนี่ถามเธอเป็นใครพนนางก็ตอบว่าก็เปเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพระราชเทวีของพระเจ้าอัลกปะปัลตป ะ, ะ, ตปะพันดาบอกกันตอบว่าแม่ฉันเองนี่ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันนะเป็นกษัตริย์แล้วก็ออกมาบวชพระราชินี พ, พสมเด็จพนนางยังกล่าวว่าถ้ากันนั้ น, นท่านจงทแถลง มายากษัตริย์ให้ดูความจริงมายากษัตริยเขะว่าอย่างไงท่านศรีเขาว่าผมก็ไม่ว่านะถ้าศรีว่าผมก็บ้าจะว่าตามศรีศรีไม่ว่าก็แล้วไปเป็นอนุว่าทันดาบฤก็สันสันทันแรงแสดงมายากษัตรเธอทราบพูดนะทราบว่ามายากษัตริย์เป็นยังไงก็ว่าอาจะเทวีว่าเมื่อทรงฟังแล้วก็เข้าใจว่าองค์นี้เป็นกษัตริย์แม่ จิงกล่าวว่าถ้ากันนั่นท่านจงขึ้นมาแล้วพาบทน้อยเข้าไปเจ้าลงไปด้วยบรรดาบทนั้นทำทางขึ้นข้างหนึ่งหมายว่วามทำทางขึ้นไปข้างหนึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วรับเด็กเมื่อพระราเทวีกล่าวห้ามว่าอย่ามือมาต้องร่างกายฉันนะอย่าจับฉันนะฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็ฉันเป็นกษัตริย์ ท่านดาวโบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะมาจับเฉพ่อเด็กฉันไม่จับเธอคือจึงไม่ไพยายามจับพระนางแล้วอุ้มเด็กลงมาแม้พระราชาเทวีก็ลงตามลงมาครั้งนั้นท่านพระดาบทจึงนํานางไปสู่อสมชนบทอสมบทไมายความที่อยู่ไม่กระทําศีลเพศเลยกมะยความไม่ยอมไม่สิ้นขาดปรอการร่วมบวมเวณี ต่างคนต่างอยู่อยู่ก็ได้ความเมตตาปราณีถ้านุองลงพันนางด้วยและทอานุ่ลูกน้อยด้วยอนครา์ให้มีความสุขนำน้ำพึ่งที่ไม่มีตัวมา <c oughs> แล้วนำนำข้าวสาลีเองเกิดเองมาให้ได้ต้มเป็นยาคูแล้ว เมื่อบรรดาบทนั่งกำลังบารุงอยู่อย่างนั้นเคี่ยเลี้ยงดูมีความอิ่มหนำสมานน์ต่อมาในการอื่นพนานก็คิดว่าเราไม่รู้จักทางมาและทางไปเลยใกล้มาเนี่ยมาทางไหนก็ไม่รู้นกมันพาหาะมาและทางที่จะกลับก็ไม่ทราบไปจะกลับทางไหนแต่ว่า ท่านบอกว่าแม่เหตุสัว่าความคุ้นเคยของเรากับดาวบทนี้ก็ไม่มีไมายความไม่รู้จักมาก่อนด้วยเวลานี้ก็ยังไม่สนับสนุมกันดาวบทต้องระมัดระวังศีลเพราะว่าพราะนางวางท่าแบบนั้นอย่าถูกตัวฉันนะอย่เข้ามาใกล้ฉันนะท่านก็เลยไม่ใกล้ความกระสันก็ไม่เกิดกับพระดาวบทจึงไม่คิดแต่ว่าถ้าว่า ดาบทอง์นี้จะทอดทิ้งเราไปเสียเราก็ดีลูกก็ดีทั้งสองคนก็จะถึงกับความตายในที่นี้เองเราคนเท่าใบอย่างใดอย่างหนึ่งทําลายสิงของวันดาบทลูกนี้เสียเอาเขแล้วนี่เอาเขาแล้วค <c oughs> ว, วายเขาอ่อนขีดปันดาบทเขาแล้ว เราควรจะทําใบอย่างใดอย่างหนึ่งทําลายสิงขบรรดาบทรูบนี้เสียทําโดยาการที่ดาบทรูบนี้จะไม่ปล่อยปละละเลยลรไปแต่กหมายความที่ทําอย่างนั้นเนเจตนาร้ายไม่มีได้เกรงบรรดาบที้ท่านหนีไปนางก็ตายลูกก็ตายเพื่อชีวิตของตอนเองและเพื่อชีวิตของลูกก็ต้องทําทุกอย่างตามที่จะทําได้ พระราชเทวีจึงทรงประละบทรมพอดาบทด้วยการแสดงผ้าโน่งผ้าห่มหลุดลุ่ยบ้างให้ถึงความไม่น่าแถีงสินแล้วพลวัตทําหลุดลุ่ยบ้างยั่วบ้างย้าบ้างสัมผัสกายบ้างหยิบโน่นประคองนี่บ้างดาบทเดินไปเมื่อเห็นว่าท่านจะเซกงคนกิงไม่ได้เซ็ก็บอกว่าเห็นท่านจะเซ็เข้าประคองบ้างเอาอดเอาใจทุกอย่างดาบทผลอกก็โนดบ้างบีบบ้าง ทตอนนี้ที่ไอ้ไฟควบบวกกัคบคนบกวนชนกันนี่มันก็ไม่ไหวตั้งแต่วันนั้นมาทั้งหมชนทั้งสองก็อยู่ร่วมรักกันอยู่ในฐานะสามีภรรยาที่ความจริงก็ไม่น่าจะโทษจะถามว่าสินขาดไหมก็ความจริงดาบทฤษีนี่เขาคุยแค่สินห้าก็พอ ให้บริการหนึ่งจะถือว่าเป็นชู้กับปัญญาเขาบอกคนอื่นเวลานั้นในฐานะปัญญาคนอื่นไม่มีแล้วนางโยดโดดเดี่ยวพิสรภาพขึ้นที่ว่าสิงกาเมยม่่ไม่ไม่ไม่เป็นที่ละเมิด ก, กับพระดาบ ท, ทั้งกล่วาวพระบาลีว่ากุมาโอเทนยกทัพช้างเดี๋ยวเดยวไไล่ห้านาทีจะยกทัพได้ไม่ได้ไม่ทราบทั้งกล่าวว่าต่อมาในวันหนึ่งพระดาบท ตรวจดูความประกอบแห่งดาวเกษ์เห็นความหมุนหมองแห่งดาวกษัตริย์ของพระเจ้าพรันธปะนี่ท่านเ่งนะในการดูดาวได้ฌานสมาบัติจึงตัดว่านางผู้เจริญพระเจ้าพรันธปะในเมืองโกสัมพีสวรรคคตรสิ้นแล้วแต่ความจริงท่านไม่ทราบเพราะว่านางไม่ได้บอกว่าเป็นพระเฮีของใครมาก่อนท่านไม่ทราบ พระราชเทวีจึงถามว่าเป็นมเหสีัยประเจ้ค่ะนธ์ทไมท่านยินตร์ตรัสอย่างนี้ท่านมีความมาค่ายกับพระเจ้าพรัญตาปะอย่างนั้นหรือท่อนดานบทก็บอกว่าไม่มีพระ น, นางฉันไม่ได้โกรธเคืองกับพระเจ้าพรัญตาปะเรานามพุทเจริญเราเห็นความเศร้ามองของดาวประจํา อ, องค์พระมาหกากษัตริย์คือของพระเจ้าพรัญตาปะ ยิงพูดอย่างนั้นพระราชทีวีก็ทรงพระกันแสงแล้วพรั้งนั้นดาบทจึงได้ถามพ่านนางราชทีวีว่านี่เธอร้องไห้เพราะอะไรทําไมยึงได้ร้องไห้เมื่อพระราชทีวีจัดบอกความที่พระเจ้าปัญจปะนั้นเป็นพระราชสวามีของพระองค์แล้วก็จึงได้บอกว่าอย่าท่านยึงบอกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนาง ธรรมดายของสัตว์ที่เกิดมาแล้วย่อมตายแน่แท้เหมือนกันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงเด้งพังความตายไปได้นี่ถ้ฟังเรื่องนี้แล้วก็จำไปด้วยนะพระนางตัวพัดพระจากของรักของจำใจจากพระราชาสวามีต่อมาก็มาทราบว่าพระราชาสวามีตายความรักยังผูกพันอยู่พระราชเทวีจึงกล่าวว่าหม่อมฉันทราบพระพูดถึงเจ้าว่าคนเกิดมาแล้วมันต้องตาย อันดานบทินเนบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมหล่อนจนินได้ร้องไห้ล่ะพระเจชาเทเวีก็บอกว่าบุตรเหม่อมฉันเขาไว้ห่วงลูกผูกคอมีความรักในลูกเป็นผู้คนเจราจะสมบัติเพราะเป็นของตระกูลถ้าว่าเขาอยู่ในเมืองเขาจะได้ยกสวกระชากเคือได้เป็นพระราชา บัตหนีเขาเกิดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสียจแล้วด้วยความโศกถึงอย่างนี้ไอ้วความโศกที่เกิดขึ้นน่ะโศกอย่างนี้นะไม่เหโศกเสียนายพระเจ้าบาลนตาปะจึงได้ร้องไห้พระพู้เเจ้าโปรดทราบตามนี้ด้วยถ้าบรรดาบทที่ได้กล่าวว่านางถ้านางต้องการอย่างนั้นมันไม่เป็นไรช่างเถิดนางอย่าคิดไปเลยท้าวันหล่น ว่าถ้าวันหล่อนมีความปรารถนาจะให้ให้ใหบุคคาชบุตรได้ราชสมบัติฉันจะทำการอย่างนั้นให้เขาให้ได้ราชสมบัติตามความปรารถนาครั้งนั้นพันดาบทได้พินและมลสำหรับช้างรักใครแก่ราชบุตรของพนางแล้วในเวลานั้นช้างหลายแสนมาพักอยู่ที่คนต้นไซยอย ลำดับนั้นพันดาบทถึงได้ตัดกับพระปุรมะว่าเมื่อช้างทั้งหลายยังไม่มาถึงที่นั่นเจ้าจงขึ้นต้นไม้เมื่อช้างทั้งหลายมาถึงแล้วจงไร้มดบทนี้ดีดสายพินสายนี้ช้างทั้งหมดก็ไม่อาจแม้จะหันหลังกลับมาดูวิ่งหนีไปหลังจากนั้นเจ้าพึงลงมา กุมารนั้นก็ทําอย่างนั้นตามตามที่สั่งทุกอย่างกลับมาทูลบอกความไม่ต่อความที่ทําไปแล้วทุกประการขั้นถึงวันที่สองอัดาบทจึนได้ตรัส ก, กับกุมารว่าวันนี้เจ้าจงไร่มนบทนี้แล้วก็ดิดพินสายนี้ช้างวิ่งไปเหลียวหลังมาดูหน่อยแล้ววิ่งหนีไปอีกวันก่อนไม่เหลียวรัวท้งที่สุด ในการตอบมานั้นกุมารก็ทรงตามที่ทำตามคําสั่งทุกอย่างแล้วกลับมาทูลความให้ทราบตามที่แต่ปฏิบัติแล้วมีผลอันดาบุตจึงตัดเรียกว่ามารดาของผู้กุมารนั้นมาแล้วตัดว่านางผู้จเจริญหล่อนจงให้ขา่าวสายเจ้าบุตรคงหล่อนเขาเขาไปจากที่นี่จากเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแน่ พระราชเทวีอยู่ในจัดเรียกพระราชุโอรถมันแล้วจึงตรัสว่าพอเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าบลันตาปะในเมืองโกสัมพีนกหันสนดีเลี้ยงนําแม่มาทั้งเจาขณะที่มีคันลูกอยู่ลูกอยู่ในท้องแล้วก็จัดบอกชื่อของเสนาพอดีเป็นต้นแล้วอัดว่าเมื่อเขาพากันเมื่อเขาพากันไม่เชื่อ เจ้าจงเอ า, าผ้ากำพลอันเป็นพระภูษาห่มและว่าธรรมรงค์อันเป็นเครื่องประดับขอมีดานี้แสดงเมื่อตัดอย่างนี้แล้วก็ส่งพระราชบุตรไปเป็นอันว่าการส่งไปก็ได้กันแค่การส่งไปไดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะไปจัดนี้ไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดหระยะเวลาห้านาทีก็คุยกันก่อน ในตอนนี้ก็ย้อนหลังสักนิดหนึ่งคืออ่านหนังสือนอี่หรอกขอ้องขยู่บ้างนะสำนวนไม่ได้飒สร้อยไม่ได้ดูหนังสือไม่จําได้ความไม่ก่อนก็รวมความว่าขึ้นชื่อว่ายชีวิตของคนยังเปลนแปอันตรจังเพราะเจ้าจเทนเนเกิดใ น, นตระกุลกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์ต้นพัฒน์ท่าจากกันมาและพระเจ้าประหลัปะก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นไมมถ้าจะเป็นไหมต่อไปนี่ไงก็ไม่ทราบ อาจจะมีไม่เหสีน้อยน้อยลเล็กๆล็กอีกมากพอได้วงความว่าชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ไม่พ้นจากความตายแต่นนบพระเจ้าปรัญปะก็ต้องตายองคหนึ่งแต่ี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายาติโสโกปิยโตชายาติพยังความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรัก พ น, นางที่ต้องเสียใจเพราะว่ามีความรักใน พ, พระเจ้าพันธัปะซึ่งเป็นพระราชสวามีภัยจะเกิดมีขึ้นมาได้เพราะสยาออยได้เจโอรสหรือพระราชบุตรควรจะเป็นกษัตริย์เทว่าอย่างนั้นถ้าจะต้องไม่ได้เป็นกษัตรถถิย์เถึงเสียใจกรวมความว่านิทานวัตถุพรัสูตรที่กล่าวมาในตอนนี้เป็นเรื่องของอนิจจังทั้งสิน้น ไม่มีอะไรเที่ยงท่านนางอยู่ในพระราชฐานต้องถูกนกจับมาทัดพระจากคุณของลักของชอบใจพระรจชสวามีและต่อมาในตอนนี้ท่านอันลปกากะดาบทท่านตั้งใจว่าจะบวชเพื่อความพ้นทุกข์ในที่สุดท่านนางก็เกิดไม่ไว้วางใจเกรงว่าพรนดาบทจะทิ้งไป ก็ตั้งต้องทําให้บรรดาบทแก่แล้วกลับกลายเป็นคนหนุ่มใหม่นั่นคือต้องมีเมียสาวอันนี้ก็เปรียญนิจังอีกมันไม่เที่ยงแล้วเปรีนอนัตตาความเป็นโสตรงสลายตัวไปแในความเป็นมาของชีวิตไม่อยู่มันก็ไม่มีสุขมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นก็บรรดาท่านพุทธุริษัทถ์ไอความเปรีย น, นิจังคือไม่เที่ยงก็ดีทุกขงังความเป็นทุกข์ก็ดีอนัตตา ในที่สุดพังสลายตักวก็ดีมันมีทุกสมัยที่พระพุทธเจา้าทรงเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องราวก่อนหน้าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาสู่เมืองอสู่เมืองโกสัมพีก็รวมความเป็นสิ่งทั้งหลายดังนี้ที่ท่านฟังก็จงนึกว่าทั้งหมดอาจจะทิ้งเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ทิ้งเราเหมือนกับพระอนุปปกะดาบทแน่ แต่ความพัดพราจากของรักของชอบใจต้องมีเราแน่บีดามันดาเป็นที่รักต้องจากเราไปและเราอาจจะจากท่านจากเป็นไม่เป็นไรจากตายเดี๋ยวหลังก็ไม่พบฉะนั้นก็บรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดว่าการเกิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราจะเป็นทีบวันดาแล้วผมก็มีสุขทุกครา เรามุ่งมา่ปรารถนาจุดเดียวคือนิพพานนั่งขึ้นหนึ่งนึกถึงความตายไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายหลังจากนั้นยึดคุณพระธรรมไรทั้งสามรายกายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นนิพึ่งปฏิบัติตามท่านท่านวา่าอย่างไหนดีเราทําตามอย่างไหนไม่ดีเราคุนละแล้วก็ทรงศินให้บริสุทธิ์ผุดฟอม ไม่ทำลายศินด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายสินและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศินแล้วจิตตั้งอยู่ในภรมิหารสี่เป็นปกติจิตมีเมตตาความรักคนและสัตว์ในโลกเสมอด้วยรักตัวเราจิตมีความสงสารตั้งนาจะเกื้อกูลเกื้อกูลในคนแลสัตว์มีความสุขทำได้หรือไม่ได้ใจอย่างนี้เป็นสุข เราจะไม่ฉันเสียใครเม้บางคนอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมใครจะวางเถื่เมื่อเมื่อบาอื่นเพียงพลัมพ mm. เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน mm. เราหวังพระนิพพานได้แน่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเป็นงใดถ้าตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นเทวดาแลือครับ ลงมาจากเทวดาระผูจะไม่พบกบบายพระสี่คือเป็นสัตว์นรกเปรตสุดกายสัตย์ันจะไม่มีกับบุคคลผู้มีความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสดทรงสาวสวยมีโรคภัยน้อยย่อมเป็นที่รักขับบุคคลทั้งหลายมอายุยืนนานทรัพย์สมบัติสิ้คราญจะบริบูรณ์พอกพูนไม่มีอันตรายกับทรัพย์สิน แล้วก็บุคคลอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ในว่าจะทำให้เรามีความสุขวาจาจะเป็นที่พูดอะไรใครก็อยากฟังใครก็อยากเชื่อและจะไม่เป็นคนไรส้สติชั่วจัญญาประสาจะไม่ฟันเฟืองคือไม่เป็นคนบ้าและไม่เป็นคนเป็นโรคสมรศาสตาจารยบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาก็หมดแล้วขอลากน อวขอความสุขสวัสดบบิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี